ข อ, อนอบน้อมพระนตนะไตขออากาศหลวงพ่อกรมพระจารยร์วัฒนชัยแล้วก็เพื่อจะทำให้ทุกท่านจเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนอาจนั่งฟังธรรมกันตามสบายเนาะทำใจให้สบายสบายเนาะเปิดใจเปิดใจรับฟังนะในสิ่งที่จะได้ยินนะเปิดใจ เรียนรู้นะดูกายดูใจของเราไปขณะที่ฟังทำไปด้วยเนาะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังแค่เสียงนะไม่ต้องวางใจขนาดนั้นแต่ให้เราตั้งใจดูดูกายดูใจของเรานี่ยแหละเป็นหลักมันจะดีเนะนะเพราะธรรมะจริงๆก็คือการการเรียนรู้ดูกายดูใจของเรานั่นแหละนะนะคือการฟังธรรมที่แท้จริง เหมืนอนที่เราได้สวดธรรมาจักรกัปวัตนสูตรนะซึ่งเป็นสูตรเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าท่านตัดนะให้แก่บัรจรวัคคีแต่จริงท่านก็ไม่ตัดเพียงเพื่อแค่ปรรจรวัคคีหรอกนะเราได้สวด ต, ตามเราได้ยินตามเนี่ยก็เป็นพระสูตรสําหรับพวกเราก็ได้นะท่านก็ยังสอนนะแม้ 2,600 ปีท่านสอนไว้ แต่วันนี้เราก็ยังได้สวดนะมันก็จะงเป็นการสอนเราเหมือนกันนะถ้าเราฟังให้ดีเนาะเราก็จะได้ปัญญานะมันจะวะัาขีท่านฟังทำท่านก็พิจารณาตามนะแต่พิจารณาในที่นี้ไม่ใช่คิดตามนะบางคนจะรู้สึกว่าคำว่าพิจารณาคือการพยายามคิดนะคิดให้ได้แบบนั้นแต่จริงการพิจารณาตามในหลักธรรมะจริงๆก็คือ การย้อนกลับมาดูนะว่าสิ่งที่พรเจ้าท่านสอนสิ่งที่ได้ฟังนั่นแหละในตัวเรามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านั้นในสมัยพุทธกาลจะมีหลายคนหลายท่านมากที่เพียงแค่ฟังธรรมแล้วเขาก็สามารถบรรลุธรรมนะตามที่พระเจ้าท่านสอนเพราะอะไรเพราะเขาฟังแล้วไม่ได้เอาไปจํนะแต่เขาฟัง แล้วออกมาทำนะแล้วก็ไม่ได้รอทำหลังจากที่ฟังเสร็จเลยนะเขาทำขณะที่ฟังนั่นแหละไปด้วยนะดูนะนะตามดูตามรู้นะตามคำสอนที่พระเจ้าท่านสอนไว้ดูตรงนั้นดูตรงนั้นบรรลุทําตรงนั้นนะหลายคนเป็นแบบนั้นนะอืมหลายคนอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ก็ได้พระัญญาโกขทัญญะท่านก็รู้ทำในขณะที่ ฟังธทมจบไปเลยเพราะว่าท่านพิจารณาดูนะดูสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของท่านในขนาดนั้นไปเลยนะหลายคนก็เป็นเช่นนี้นะหรือบางคนอาจจะคิดว่าออมันจะว่าขีบําเพญบารมีมาเพนมมมมความเพียนมามากก็เลยฟังทมง่ายหรือเปล่านะมันก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปหรอกบางคนแม้ไม่ได้มีศรัทธามากนะ ไม่ได้ตั้งใจจะฟังทำเอาเพื่อบรรลุธรรมแต่หลายคนนะก็สามารถเข้าใจธรรมะได้เหมือนกันนะอย่างสมัยพุทธกาลก็มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่พอเอ่ยชื่อพวกเราก็จะรู้จักนะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคืออนาปินทกาเศรษฐีจะเรียกว่าเป็นมหาอุบาสกก็ได้นะเป็น อุบาสกนะหรือเป็นโยมผู้ชายที่นะเรียกว่าดูแลพุทธศาสนาดูแลคณะสงฆ์ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยกเลยว่าเป็นเอกทัตทะนะในด้านการอุบนะาตธรรมะคณะสงฆ์แม้พ่อนะจะมีศรัทธาอุบาตธรรมดูแลคณะสงฆ์อย่างมากมายแต่ลูกเองไม่มีศรัทธานะ ไม่สนใจการทำทานไม่สนใจการฟังธรรมไม่สนใจการเข้าวัดเลยก็มีนะในธรรมดานะสมัยพุทธกาลก็มีนะบางคนพ่อแม่ศรัทธามากลูกไม่ศรัทธาก็มีบางคนลูกมีศรัทธาออกบวชมากพ่อแม่ไม่สนใจปฏิเสธก็มีนะอย่างครอบครัวของพระศารีบุตรนะลูกชายลูกสาวออกบวชกันเยอะแยะมากมายบรุษธรมเป็นพระอรหันต แต่แม่นี่นะก็ยังคล้ายๆเห็นพุทธศาสนาเป็นปฏิ ป, ฏปักษ์นะเพราะว่าภาคลูกชายลูกสาวของเขาออกไปจากครอบครัว น, น, นี่ธรรมดานะบางทลีลูกกับพ่อกับแม่อาจจะเหมือนกันหรือบางทีอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่พ่อแม่ที่หวังดีเช่นอนาบินทกศศษฐีก็เห็นว่าลูกยังไม่มีศรัทธาลูกยังไม่มี ปัญญาจะทำยังไงน้อนะก็ไม่ได้ปล่อยประละทิ้งนะหาอุบายหาอุบายว่าเออลูกนะเดี๋ยวพ่อพ่อจะจ้างนะเธอเอาเงินล่อนะ่ะบางคนเอาเงินล่อไม่รู้พวกเรามีคนพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเงินล่อให้มาเข้าวัดหรือเปล่านะออนาบินต์กาเซถีก็ล่อลูกชายว่าเออวันนี้เธอไป จำจำศีลนะอุโบสดศิลที่วัดสักคืนหนึ่งนะกลับมาจากนั้นเดี๋ยวพ่อจะให้เงินร้อนยะประหาปณะกนะ็นะถ้าเทียบกันบ้านเราเอาพูดง่ายก็ได้นะให้เงินร้อยบาทนะแต่สมัยก่อนก็คงมากนะก็ลูกชายก็ด้วยความต้องการเงินกนะ็ไปแค่ไปนอนที่วัดก็คิดง่ายๆอะ่ะเออฉันจะไปนอนที่วัดก็นะไปนอนที่วัดนะ แต่ไม่ได้ไปฟังทาพอรุ่งเช้าพอออกอุโบสถศินก็รีบกลับมาบ้านเลยนะมานะก็ต้องพ่อก็ต้องให้เงินตามสัญญานะแต่พ่อก็รู้ว่าถ้าทีทูกชายไม่ได้เปลี่ยนไปก็เลยออกอุบายใหม่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอไปฟังทาใหม่นะเอ อ, เ, อ, อเธอไปวัดใหม่แต่ให้ไปจํา ให้ใบจำว่าพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเอามาสักบทหนึ่งนะไม่ต้องเอามากนะพอจะให้เงินพันบาทนาะพระลูกชายของอนาบินตกาเษฐีก็ว่าเออก็ไม่น่าจะยากนะแค่ไปจำอะไรแค่บทเดียวเท่านั้นแหละนะเออได้เงินต้องมาพันหนึ่งวันลุ่งขึ้นก็ไปตามสัญญาจริงๆนะก็ไปแต่พูดพุทธเจ้าท่านก็ สงเคาะนะลูกชายอนาบินินตการเศรษฐีนะท่านเห็นว่าเออน่าจะนะถ้าเขาได้ฟังทำจริงๆเขาก็จะบรรลุธรรมได้ท่านก็อนุเคราะห์โดยการที่ว่าเออลูกชายอนนาบินตการเศรษฐีเนะี่ยตั้งใจจะฟังเพื่อจะจําจะเอาไปบอกพ่อว่าพระเจ้าสอนอะไรบ้างแต่พระเจ้าท่านก็แกล้งให้จําไม่ได้ให้ฟังไปเรื่อยๆ แต่จำอะไรไม่ได้เลยนะพอฟังจบเทศนานั้นแล้วก็มรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน <c ười> คือไม่ได้ฟังแล้วจําได้นะแต่ปรากฏว่าฟังแล้วมันเข้าไปซึมทราบถึงจิตใจจนกระทั่งเข้าใจธรรมนะมรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันะในขณะที่ฟังธรรมจบนั่นแหละพอกลับมาที่บ้านพร้อมกับคณะสงฆ์เพราะส่วนใหญ่คณะสงฆ์ ก็จะมารับพัฒหารที่บ้านอนาพินกาเศรษฐีอยู่เป็นประจําชาววันนั้นก็มาพร้อมคณะสงฆ์นะอออนาพินกาเศรษฐีก็เห็นลูกชายตัวเองดูท่าทีเรียบร้อยน่ารักแตกไปนะพอก็ด้วยความชื่นใจนะพ่อแม่ชื่นใจที่ลูกดูเรียบร้อยดูน่ารักรีบเอาเงินมาให้เลยพันหนึ่งนะลูกชายนาพินกเศรษฐีเนี่ยอายนะ และอายแล้วได้ก็กลับมาที่บ้านก็คิดว่าอพ่ออยาเงินมาให้เลยอายมาพร้อมกับพระเดี๋ยวเดี๋ยวพระท่านจะรู้ว่าเราไปฟังธรรมเพราะว่าโดนจ้างอแต่ที่จริงพรุทธเจ้าท่านรู้อยู่แล้วแหละนคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรนะแต่พอพ่อเอาเงินมากองให้ลูกชายก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาเงินลหล้วนะไม่เอาเงินแล้วนะและอายแล้วนะ ได้ฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไปเลยว่าเนะีนะ่ยการที่ได้เป็นพระโสดาบันนะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านะการเป็นจกักรพัทการเป็นใหญ่ในโลกนี้นะอันนี้คือสิ่งที่พระญาติท่านตัดนะแล้วหลายคนที่ได้สัมผัสเ้าก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆนะอืม พวกเราก็ขอให้เราตั้งใจเช่นนี้ก็ดีนะตั้งใจว่าในชาตินี้ภพนี้เนาะเราพยายามตั้งใจปฏิบัตินะให้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยสินะทำตามที่พระเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติที่มีค่านะยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่า การเป็นจกักรพรรดิหรือการเป็นใหญ่ในโลกนี้นะยังมีค่าน้อยกว่าการเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันก็คือผู้ที่ทำอะไรนะทำให้แจ้งซึ่งสักยทิฐิก็คือการสำคัญมั่นหมายนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยแหละนะทำลายความเห็นผิดตรงนี้นะทาลายความเห็นผิดนะสักยะ ทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราสาคัญมั่นหมายผิดก็ต้องเปลี่ยนให้มันถูกก็คือให้เห็นความจริงว่ากายใจเนี้ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะเพราะความหลงผิดเราก็เลยไปยึดยึดว่ากายไว้ใจเนี้ยคือตัวตนจริงๆของเราเนะ่ยเรามาเปลี่ยนทิฏฐิมาเปลี่ยนความเห็นนะให้กลายเป็นความเห็นชอบนะ ศรัทธานะศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงยังวันไหวศรัทธาในพระรตนตรัยนะงอนแงนคอนแคนหลายคนได้ยินข่าวพระสงฆ์ที่ออกหน้าหนังสือพิมพ์ออกโตรทัศน์นะหรือออกอินเทอร์เนต็ตในทางไม่ดีเนาะก็วันไหวนะรู้สึกศาสนาไม่น่าสนใจศาสนาแปะเปื่อนเปื่เปื้อนนะ หมดศรัทธานะนะบางคนก็ไม่แน่ใจว่าธรรมะนี่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเพี้ยนไปมากขนาดไหนเน่ะนะทำไมสอนไม่เหมือนกันทำไมรูปแบบแตกต่างกันนะบางคนไม่แต่พระเจ้าจะมีจริงหรือเปล่านาะโกหกแต่งนิยายสร้างเรื่องหรือเปล่าบางคนก็ไปคิดเช่นนั้นนะเพราะว่ายังไม่เข้าใจความจริง ยังไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคืออะไรนะแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัตินะจะทําให้ไปพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือเปล่าก็เลยเกิดศรัทธาแบบหวั่นไหวนะหวั่นไหวไม่มั่นใจในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หวั่นไหวไม่มั่นใจว่าวิธีการปฏิบัติปฏิปฏทาจริงๆนะ มันจะทำซึ่งความพ้นทุกได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลายคนปฏิบัติทำไปก็ดังเรสงใจนะเฮ้ยเราทำเนี่ยมันจะได้อะไรมันจะพ้นทุกได้จริงเหรอก็หวั่นไหวน ะ, นะถ้าคนที่ยังไม่มั่นใจก็หวั่นไหวเหมือนกับคนลอยน้ำอยู่กลางทะเลมหาสมุทรเนาะถ้ายังไม่เห็นฝั่งก็ย่อมหวั่นไหวไม่รู้ฝั่งจะอยู่ตรงไหน เราจะไหว้เข้าฝั่งหรือเราจะไหว้ออกจากฝั่งนอวั่นไหวเนไม่แน่ใจแต่ถ้าคนที่ได้เห็นฝั่งแล้วก็มั่นใจอ้อฝั่งอยู่ตรงนี้นะเส้นชัยเราอยู่ตรงนี้แม้ยังไม่ถึงนะแต่มันเห็นแล้วมันมั่นใจนี่แหละศรัทธาของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นแม้ยังไม่พ้นซึ่งความทุกข์ทั้งหมดแต่มั่นใจว่าทางที่เดินเนี่ยมันถูกทางแล้วเนี่ย นี่เรียกว่าศรัทธานะไม่วันไวการประพฤติปฏิบัตินะศีลพัตปรามาตรก็ไม่ผิดเพี้ยนนะไม่ได้ทำตามประเพณีรูปแบบพิธีกรรมเท่านั้นแต่ทานะตามธรรมนะตามธรรมะนะรับศีลก็ไม่รับศีลแค่เพียงแค่รับจากคำพูดแต่เป็นศีลในใจจริงจริงนะอธิษฐานก็เป็นศีล รับสินก็เป็นสินกายวาจาใจก็เป็นสินจริงจริงนะสินคือความเป็นปกติกายมันก็เรียบร้อยนะนะเราปฏิบัติธรรมไปเห็นไหมกายเราสำรวมเรียบร้อยขึ้นวาจาก็เรียบร้อยขึ้นพอพูดน้อยลงงดพูดเนี่ยก็ผิดสินเรื่องวาจาไปเยอะเลยนะนะเพราะบางทีอย่างวาจาของเราสิ่งที่ผิดมากนะบางคนอาจจะไม่โกหก นะไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบแต่ที่มันผิด บ, บ่อยๆคือบางทีก็แอ บ, บส่อเสียกดก็ไม่ได้นะเห็นนะใครพูดอะไรก็โอเคใครทําอะไรไม่ดีก็จิกนิดจิกหน่อยก็ดีนะนะสอดเสียดนะหรือบางทีก็ไปพูดเพ้อเจ้อสนุกสนานเพลิดเพลินไปอันนี้ก็เป็นวารผิดศีลทางวาจาเหมือนกันพอเรามาปฏิบัติธรรมกายเราก็ไม่ได้ไปทําชั่วอะไรนะวาจาเราก็ไม่ได้ไปพูด ไม่ดีหรือพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดอะไรนะี่ยสินมันก็เกิดขึ้นมายิ่งถ้าเรามีสติได้รู้เท่าทันความคิดจิตใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปกติมากถึงใจเลยนะแม้บางทีเราอาจจะอยากพูดแต่ด้วยนะมีคนห้ามไม่ให้พูดหรือว่าอยู่ในช่วงที่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่พูด แต่มันอาจจะพูดในใจเยอะแยะมากมายเนาะนะคือมันคิดในใจมากมายมันก็อาจจะแค่สํารวมกายวาจาแต่ใจยังไม่สํารวมนะแต่การที่เรามาฝึกนี่แหละมันจะทําให้เราได้นะเกิดการรู้ทันนะถึงที่จริงต้นตอของความทุกข์ของเราจริงๆก็คือจิตใจนี่แหละอย่างที่เราได้สวดกันธรรมจักกับวัฒนสูตรนี่แหละนะ เป็นวัสู่ที่สำคัญมากนะให้เราได้ทำตามให้ทำตามนั้นพราะพุทธเจ้าท่านสอนนะเบื้องแรกเนี่ยท่านสอนอะไรสอนให้เรารู้จักทางสุดโตง่งสองทางโนะยมรู้จักไหมทางสุดโตง่งสองทางทางหนึ่งเรียกว่าการมัส ก, การนิการนุโยตคือการหลงเพิดเพลินนะยินดีพอใจในอารมณ์ต่างๆ เนี่ยเราดงเพลิดเพลินมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะนะถ้าเราไม่ดงเพลิดเพลินเนี่ยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพลิดเพลินมาม า, มากน้อยขนาดไหนเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ให้เราตั้งใจให้รู้ทันเวลาในที่เราเพลินพอใจนะกับสิ่งต่างๆให้เรารู้ทันนะเราเพลิดเพลินในการดูนะ ดูหนังฟังเพลงนะ่ะดูหนังดูสิ่งสวยๆงามๆน่ะจะเดินหะูเจริญตานะ่ะกับทางสายตาเนี่ยให้เราดูทันเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาทางสายตาเออมีสติดูทันนะ่ะชอบเสียงเพาะๆไม่ชอบเสียงคนดา่าไม่ชอบเสียงที่เกิดความลำคานมีสติดูทันนะ่ะ เพลิดเพินพอใจแล้วแนะให้รู้ทันหรือนะการที่เรียกว่าสุดโต่งอีด้านหนึ่งอัตกกิมาธานุโย ก, ก็คือการทำตนให้ลำบากทำตนให้ทรมานะที่จริงก็คือความไม่พอใจนั่แหละนะคือทำแล้วมาเกิดเป็นความทุกขนะ์ทุกใจนะทุกกายด้วยนะให้เรารู้ทัน คุณเจ้าท่านสอนให้รู้จักทางสุดตรงสองด้านสองทางเนี่ยแหละเมื่อเรารู้จักทางสุดตรงทั้งสองด้านมันจะเดินทางใส่กลางของมันเองนะนะเอาง่ายง่ายอย่างเช่นที่จริงการที่เราปฏิบัติตัวนี้นะหลักจริงๆถ้าเราจับให้ได้เนะี่ยเรามาทําความรู้สึกตัวแรกๆเนี่ยพยายามหาความรู้สึกตัวให้ได้น ะ, นะที่จริงมันเป็นแบบนี้จริงๆรนะพยายามหาให้ได้ไว ให้ที่รู้สึกตัวจริงๆคือแบบไหนนะเราเดินก็ดีเรานั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะกินก็ดีเนะี่ยเราบางทีเราก็ทำแบบสุดโต่งนะสังเกตดูเวลาเราเคลื่อนไหวมือก็ดีหรือเดินจงกรมก็ดีถ้ามื่อไหร่ที่กายมันเกร็งๆมันแบบ ม, มันคิดมันคิดเคียดมันไม่ผ่อนคลายเนะี่ย แส่งว่าเราสุดโต่งในด้านการอัตกกินมฐานอโยกแล้วนะทำกายให้ลำบากนะหรือบางทีเราก็ทำไปเป็นอัตโนมัติยกมือยกไม้เดินไปนะแปรงฟันกินข้าวเพลินไปไม่ไม่รู้สึกว่าเก็งไม่รู้สึกว่าเครียดหรอกแต่มันเพลินเพลินแบบไม่รู้ตัวเพลินแบบลงไปคิดเราก็สุดโต่งอีกด้านเนื้อนะนะนะนะการมีสติเนี่ยสังเกตดูเวลา เราเคลื่อนไหวนะในอีเรียบทในรูปแบบก็ดีหรือนอกรูปแบบก็ดีเออมันรู้สึกผ่อนคลายไหมนะพอดีไหมหรือว่าขนาดนั้นมันเพ่งมันตั้งใจเกินไปหรือขนาดนี้มันหลงเอามันทําไปแต่มันก็คิดไปด้วยนะมันรู้แบบไม่ชัดเจนมันรู้แบบผ้าผ้านะอันนี้ก็เราก็สุดโตรงอีกด้านหนึ่งนะเออ พระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราหลงไปแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติเป็นทางใจกลางของมันเองหรือถ้าเมื่อไใ่ที่เรารู้ว่าเราเพ่งเราจ้องมันจะกลับมาเป็นปกติของมันเองนคล้ายๆเหมือนกับเราขับรถนะนะถ้าเราขับรถนะในเลนนะเช่นรถที่มันเลนรถมีสองเลนนะปกตินะถ้าเราขับรถเรา ขับอยู่ในเดนของเรามันก็ปลอดภนะัยเนาะแต่ถ้าเมื่อใดที่รถเราเอียงไปทางขวามันจะไปข้ามฝั่งอีด้านึนึ่งเราก็อเอาเพลิงอะไรหักเข้ามาทางซ้ายให้มันเป็นกลางพอดีหรือบางทีเราขับรถไปมันตกไปทางซ้ายเอียงไปจะตกถนนแล้วก็ดึงเพลิงอะไรเรากลับมาทางขวามันก็คือทางสายกลางในการขับรถการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ทันว่า จิตต้อสุดตรงหรือทางดงเพลินในการคิดในหรือติดในอารมณ์ทางตาหัวจมูกดิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยเออเราก็กลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้นะรู้ทันกายรู้ทันใจของเราใหม่หรือเมื่อใดที่เราทำแล้วมันเก่งเกงเพ่งเพ่งนะบางคนก็ไม่รู้นะคิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนนะเพ่งไปเรยมันจะทะลุการเพ่งเองนะบังคับไปก่อน มั่งคับไปดี๋ยวมจะกลางของมันเองพรกจ้ท่านสอนให้เรารู้นะว่าอันนี้คือทางสุดโตง่งนะไม่ควรทํารู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมานะเลิกเพ่งนะรู้ว่ามันเกรง็งก็ต้องผ่อนคลายนะนะบางคนก็ทําไปทั้งที่เกร็งๆที่เพ่งๆกันแหละนะไม่ใช่นะท่านสอนให้เราปรับกลับมาสู่ทางสายกลางให้มันพอดีนะ แม้เราจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติแต่ให้เป็นความตั้งใจที่มันพอดีไม่ใช่ว่าเพ่งจ้องเกินไปอันนี้เนาะให้เรารู้นะที่บอกว่าให้เราหาสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวให้ได้เนี่ยหาจังหวะที่มันพอดีนะยกมือแบบไหนเดินแบบไหนกินดื่มขับถ่ายแบบไหนนะคิดเรียกว่าพอดีไม่เพ่งไม่จ้อง ไม่เผลอไม่เพ ล, เพลินเนี่ยคือเราหาจังหวะตัวเนี้ยนะหรือมันทําไม่ได้ตลอดดอกนะที่จริงมันเป็นกลางไม่ได้ตลอดดอกผูุ้ชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ตลอดแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเมื่อไใดเราเผลออันนั้นก็ถูกแล้วเมื่อไร่ที่เรารู้ทันว่าเราเพ่งอันนั้นก็ถูกแล้วมันจะกลับมาเป็นกลางพอดีอันนี้แหละการปฏิบัติที่พระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักทั้งทางที่ผิดนะ เมื่อรู้จักทางที่ผิดแล้วมันจะรู้จักทางที่ถูกของมันเองนะเพราเราก็จะรู้อ๋อเมื่อนี่เรารู้สึกตัวอยู่เออเราหลงไปหลงไปคิดหลงไปพอใจเออเราหลงไปเพ่งไปจ้องอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการรู้สภาวะนะต้องเรียนรู้สภาวะเออกายมันกายมันเคลื่อนเกงเป็นแบบนี้เนาะอ่าใจมันเกงเป็นแบบนี้เนาะอ่า ใจมันหลงไปคิดเป็นแบบนี้เนาะใจมันสุขใจมันทุกข์เป็นแบบนี้เนาะกายมันทุกข์เป็นแบบนี้เนาะเรามาเรียนรู้จากสภาวะนะพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์นะทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์นะเช่นกายมันทุกข์เป็นแบบนี้นะเรียนรู้สภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำในการวางใจไว้ผิดนะ ก็คือการมีตัณหาทุกเนี่ยพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้นะให้เราเรียนรู้นะรู้ในที่นี้คือการเรียนรู้นะเรียนรู้เรียนรู้จากความทุกข์นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหนีความทุกข์เนาะนอไม่อยากทุกข์ก็เลยหนีนะแต่พระเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุก น, น, น, นั้นเราปฏิบัติทำหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่นะให้เรียนรู้ดู ดูว่ากายว่าใจเนี่ยมันทุกข์จริงไหมนะมันทุกข์อย่างไรนะเราเรียนรู้จากกายใจจริงๆนะเราจะเห็นว่ามันทุกข์พอเห็นว่ามันทุกข์มันถึงจะเลิกยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราเห็นว่าเป็นความสุขนะเป็นสิ่งที่บังคับได้เป็นสิ่งที่จะทําให้มันเที่ยงแท้รักษาได้ทาวรเนะี่ย จิตมันจะไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ใจนี้ว่าเป็นเราหรอกนะเพราะเรายังยังชอบมันอยู่ยังอยากจะรักษามันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ยังอยากจะบังคับมันให้เป็นอย่างที่ใจคิดทั้งเรงที่จริงมันก็แสดงให้เห็นนะว่ามันบังคับไม่ได้นอหายใจก็ยังบังคับไม่ได้อวัยวะภายในเราบังคับได้ไหมให้หัวใจมันเต้นเป็นยังหะสม่าเสมอ ความดันมันจะสูงก็ยังบังคับไม่ได้นะสิ่งต่างๆมันบังคับไม่ได้แต่เราคิดว่าเราบังคับได้อย่างบังคับยกมือได้บังคับกินข้าวได้บังคับไปเดินได้แต่จริงนิดเดียวเองนะบังคับได้ในสภาวะที่มันเอื้อแต่พอถึงจุดหนึ่งเป็นอมตพลึกอมพาดก็บังคับไม่ได้เหมือนเดิมนะจะตายก็ยิ่งบังคับไม่ได้เลยเนี่ยเราเห็นเรามาเรียนรู้จากความทุกข์ของกายของใจเนาะ แต่กิจที่เราควรทำคือละนะละอะไรละตัณหาละความอยากนะความอยากนะทางตาหูจมูกดิ้นกายใจเนี่ยให้เรารู้ทันนะตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสจิตใจคิดนึกปรุงแต่งมันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะเรียกว่ามันมีตัณหานะมีตัณหา หรือมันมีความอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นเปฏิบัติก็เหมือนกันนะแม้จะบอกว่าให้เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุอะไรแต่พอปฏิบัติจริงๆก็ต้องวางตันหาความอยากไวนะ้นะนะแม้จากจะบรรลุทมก็ยังเป็นตันหานะนะแต่ให้เรามีความตั้งใจตั้งใจในการที่จะมีเป้าหมายอันนั้นสามารถมีได้นะ แต่พอปฏิบัติไปเนี่ยให้วางไว้ก่อนเหมือนเราทํางานนอะไรโยมนะหรือเราเรียนหนังสือเราก็อยากจะเรียนให้มันจบอยากจะทํางานให้มันสําเร็จอยากจะได้เงินเดือนนะแต่พอตอนทําถ้าเราไปคิดว่าเมื่อไหร่เราจะจบเมื่อไรเราจะสําเร็จเมื่อไรเราจะได้เงินเดือนเมื่อนั้นมันจะทุกข์นะเหมือนถ้าเราคิด อ, อทํางานไปคิดไปเมื่อไหรจะได้เงินเนาะเ like, มื่อไหรจะรวยนาะเมื่อไห ร, รมันจะเสร็จเนาะมันจะทําไปแล้วก็จะ กังวลใจนะใจไม่ปกติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจเมื่อใดเราจะเข้าใจธรรมะแต่ให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เราทําพอเกิดตัณหาขึ้นเมื่อใดหน้าที่ของเราคือละตัณหาละความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเอาทุกอย่างนะนะแค่รู้เรียนรู้ทุกนะพอความอยากเกิดขึ้นมาในใจปรุงแต่งขึ้นมาวางไป อันนี้แหละเป็นการการประพฤติชอบล้นะเป็นการจะเดินมักแล้วนะมักเราได้เดินแล้วนะทําให้มากแล้วเมื่อทำมากมากจริงๆรนะนี่โดดมันก็แจ้งของมันเองอันนี้แคือสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะให้เราเรียนรู้จากทางสุดตรงทั้งสองด้านพอเราเรียนรู้จักทางสุดตรงทั้งสองด้านเราจะรู้จักทางสายกลางนะโดยอัตโนมัตินะพอ เดินทางสายกลางเยอะๆบ่อยๆนะอริยสัต ส, สีก็ย่อมแจ้งขึ้นมานะในใจของเราเนี่แหละนะรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้จริงๆว่ารูปว่านามนี่มันทุกข์อย่างไรนะค่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะเห็นตัณหาที่มันแสดงในจิตใจนะเห็นความหลงผิดในจิตที่มันติดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเห็นจากการปฏิบัติเนี่แหละนะ เห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นกิเลสนี่แหละนะจะไปคิดว่าเห็นธรรมต้องเห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงอะไรแปลกแปกเห็นกิเลสเนี่แหละมันผุดขึ้นในใจละกิเลสได้นั่นแหละเห็นธรรมแล้วนะเห็นไปเรื่อยเห็นบ่อยบ่อยนะจนทางจิตมันเปลี่ยนของเขาเองอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนาะให้เราพยายามดูให้รู้ทันรู้สึกตัวบ่อยๆ่อยนะ มันสติมันก็จะพัฒนาของเขาไปเองนะจิตใจเขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะไม่มีใครบังคับให้จิตเขาเปลี่ยนได้นะเราปฏิบัติเพียงเพื่ อ, อสร้างเหตุที่มันถูกก็แค่นั้นส่วนความรู้ความเข้าใจมันเป็นเรื่องของเขาเองภาวนาก็คือการขยันที่จะรู้สึกตัวนี่แหละนะคือการภาวนาภาวนาคือขยันไปเรื่อยนะขยันไปเรื่อย ไม่ว่าจะทําอะไรก็พยายามรู้ตัวนะไม่ไหวไม่ใช่สักแต่ว่าทําเป็นรูปแบบนะแต่ให้ใจรู้ฝึกตัวไปขนาดที่ทําทุกขนาดด้วยอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนาะให้เราได้พยายามมีความเพียรในการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะไปเรื่อยๆจนทั้งใจเขารู้จักความจริงว่าใจ หรือว่ากายนี่แหละมันมีแต่ภาวะที่มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันบังคับไม่ได้นะเราหลงเกิดลงตายไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะเราะฉะนั้นเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับในจิตนะเมื่อนั้นจิตก็เข้าถึงนะกระแสของนะ อริยะนะ่ะพ้นจากความทุกข์นะ่ะมาจะไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆเนาะให้เราพยายามทำความเพียร น, นะในการปฏิบัติธรรมตรงนี้นะเราจะได้ตั้งสู่ความเป็นอริยภูมินะพ้นจากนรกพ้นจากความทุกข์นะแม้ไม่พ้นทั้งหมดแต่ก็เห็นทางที่จะถึงเป้าหมายในชีวิตเราก็คือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ทุกคนทุกท่านด้วยเทิน